ชาวไฟฟ้าเป็นไงบ้างพอไหวไหมรุ่นนี้เดี๋ยวหลวงพ่อต้องแอ บ, บถามวิทยากร <S <S 1> <S 1> ต้องช่วยตัวเองให้มากๆนะมันทำเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่น <S <S 1> <S 1> ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วชีวิตเราจะมีความสุขชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนะถ้าเรา มีโอกาสได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งทีแล้วไม่ใส่ใจนะเสียโอกาส น, ะน่าเสียดายน้อยนอยนะในสังสารวัตรมีเวลาที่ไม่มากหรอกที่จะมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแทบไม่มีเลยวันเวลาที่ผ่านมานานๆจะมีทีหนึ่ง แล้วพอมีคําสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็มีน้อยนิดเดียวดูในโลกนี้มีคนหลายพันล้านใช่ไหมเท่าไหรหลวงพ่อก็ไม่รู้แล้วแต่คนที่มีโอกาสฟังธรรมอย่างพวกเรามีไม่มากอะ่ะเทียบกับคนไทยก็ยังเป็นเปอร์เซ น, เนเต์ น, นิดเดียวประเทศอื่นเขาก็ไม่ใช่ชาวพุทธเท่าไหร่นะมีอยู่ไม่กี่ประเทศแล้ว ในเมืองไทยบอกว่าเป็นชาวพุทธหลายส0ใช่ไหมแปด้ซจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆเป็นชาวผลประโยชน์มีผลประโยชน์เป็นสารณะเท่านั้นแหละคนที่มีชาวเป็นชาวพุทธนะมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจริงๆนะมีนิดเดียวแทบจะนับตัวได้เลยเป็นเปอร์เซนต์ที่แทบไม่มีในยะเลย เนี่ยถ้าพวกเราผู้มีโอกาสแล้วยังไม่สนใจอีกเนี่ยน่าเสียดายที่สุดเลยแล้วต่อไปใครจะรักษาใครจะสืบทอดศาสนาไว้พวกเราทุกคนสําคัญนะทุกคนมีความสําคัญมากเลยพวกเราได้เรียนแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเริ่มเห็นผลเป็นลําดับลําดับเคยมีความทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงนะเคยเผลอนา น, านๆก็เผลอสั้นลง ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงพวกเราเริ่มเห็นผลของการปฏิบัตินี่ขนาดยังไม่บรรลุมรรคผลเลยนะหลายคนมาบอกหลวงพ่อว่าความทุกข์มันเปลี่ยนมันตกหายไปเคยทุกข์มากมากก็ทุกข์นิดเดียวทุกข์นานนาก็ทุกข์สั้นๆนะเปลี่ยนชีวิตเคยมีแต่ความเร่าร้อนก็สงบร่มเย็นขึ้นมานี่แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะ เพ้องต้นเพิ่งหัดเจริญสติไม่นานไม่เหมือนเรื่องทำอย่างอื่นนะทำสมตรงสมาธอะไรหลายหลายปีมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบมันได้แค่นั้นเองแต่คนที่เจริญวิปัสสนาะนะพอสติเกิดขึ้นมาสติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาชีวิตจิตใจเริ่มเปลี่ยนให้ดูแล้วโลกัศน์ก็เปลี่ยนความรู้สึกต่างๆก็เปลี่ยน พอเรามีสติเนืองๆต่อไปจิตเราตั้งมั่นมีสติก็มีความสุขไปรอบหนึ่งแล้วนะพอมีสติเนืองๆจิตเราตั้งมั่นจิตเราสงบสบายอยู่ได้ทั้งวันนี่ก็มีความสุขที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่ได้ติดอยู่แค่นี้เวลาที่เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจธรรมะเป็นขั้นเป็นตอนไปเรามีความสุขอีกหลายวัน เวลาใจเข้าใจธรรมะอะไรปิ๊งขึ้นมาสักทีนะอันนี้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลด้วยซ้ําไปนะอย่างเวลาเราภาวนาแล้วเราเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาซึ่งแม้เรามีความสุขอยู่หลายวันนะแต่ไม่เกิน7วันประมาณนั้นนะหลังจากนั้นคนที่ขยันภาวนาก็จะรู้สึกว่าไม่มีผลงานหลายวันแล้วต้องพักเพียรอีกเนี่ยมีสติก็มีความสุขมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุข มีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตขึ้นมานี่มีความสุขมากเลยเริ่มตั้งแต่ได้พระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันนะเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเฟิร์มขึ้นมาละรู้สึกมั่นคงขึ้นมาชีวิตเราอบอุ่นเราเหมือนลูกมีพ่อมีแม่แต่เดิมเป็นลูกกำพร้านะคล้ายๆพอเกิดมาก็ถูกเอาไปปล่อยทิ้งทางขยะแบบในหนังสือขายหัวเลาะอะไรอย่างนั้น เอาไปทิ้งทางขยะไว้ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่วันที่ได้พระโสดาบันเรารู้แล้วเรารู้มีพ่อมีแม่พระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราครูบาอาจารย์เหมือนพี่เลี้ยงเราเราไม่ใช่ตัวคนเดียวเรามีญาติพี่น้องเยอะแยะเลยคือท่านผู้เข้าถึงความหลุดพ้นแล้วนับจํานวนไม่ท้วนแต่เรายังกลับไปไม่ถึงบ้านที่แท้จริงของเรา เรายัางหลงอยู่กลางทางเพียงแต่เรารู้ทิศทางที่จะกลับบ้านคนพอรู้รากเงาของตัวเองนะชีวิตรู้สึกมีความหมายขึ้นมาแต่เดิมชีวิตเนี่ยระเหเร่ร่อนในสังสารวัตรไม่มีความหมายอะไรเลยอยู่ๆไปอย่างนั้นเองเขาทำอะไรที่ว่าดีก็ดีตามเข้าไปมันดีจริงหรือไม่ดีจริงก็ไม่รู้หรอกพอเราได้โสาบันแนละ้วเรารู้เลยว่าชีวิตเรามีทิศทางที่แน่นอนแล้ว ชีวิตในอนาคตจะต้องดีกว่าปัจจุบันแน่นอนเลยจะมีความรู้สึกอย่างนี้เลยจะมีความอบอุ่นนะมีความอบอุ่นเวลาเราเข้าใกล้ท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะจะไม่สะทกสะทานหวั่นไหวแล้วจะรู้สึกเหมือนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกัน ในสังสารวัฏน่ากลัวที่สุดเวลาร่อนเร่ไปแบบคนไม่รู้เหนือรู้ใต้เหมือนคนหลงทางแล้วตาบอดด้วยหลงอยู่ในที่รกที่ชัดที่ลำบากพอได้ธรรมะขึ้นมานะจะมีความมั่นคงขึ้นมาในชีวิตชีวิตเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนละคนที่มีทิศทางมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน รู้ว่าเรายังมีอะไรต้องทำอยู่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรยังไม่มีความลังเล ส, สงสัยตัวนี้อีกอย่างถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ยังหยอหยอแยแยขยันบ้างขี้เกียจบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างวันนี้ศรัทธาน้ามืดตามัวศรัทธางมงายวันนี้เสื่อมศรัทธาละเสื่อมศรัทธาหนีไปอยู่กับอย่างอื่น ไปไหว้ผีสางเทวดาไหว้กระทั่งสัตว์ต่างๆสัตว์พิการก็ไหว้นะคนไม่มีธรรมะนะจริงจกสองหางยังไหว้เลยเห็นไหมสัตว์พิการตัวนอนตัวนี้ไหว้มันหมดเลยนะอะไรอะไรที่ผิดธรรมชาติไหว้มันหมดเลยกะโหลกกลานะกะลามีตาอันเดียวก็ต้องไหว้มันอะไรอะไรก็นับถือมันไปหมดเลยอกใจมันไม่มีธรรมะไม่มีที่พึ่งที่แท้จริง นีถ้าได้โสดาล้นะใจมีทิศทางแต่บางคนก็ยังอยากอยู่กับโลกอีกนะพระโสดาบันบางองค์เนี่ยตั้งปณิธานขอเกิดอีกเจครั้งนะความจริงถึงไม่ตั้งก็เกิด mm hmm. นี่ขอเกิดนะมีอย่างนางวิสาขา mm hmm. เขาทําบุญเยอะเขาหวังว่าเขาเกิดมาจะเสวยบุญเพราะปัญญาไม่แจ้งมีปัญญาไม่พอ ยังไม่รู้ว่าความเกิดนั้นทให้มีขันขึ้นมามีขันมีรูปมีนามมีกายมีใจสรับใดมีรูปมีนามมีกายมีใจเมื่อนั้นต้องมีทุกข์เห็นไหมพระโสดาบันยังปัญญาน้อยเลยท่านถึงบอกว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยยังไปเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอยู่นี่ถ้าภาวนาต่อไปนะภาวนาไปมันตัดครั้งที่2เนี่ยคราวนี้เราจะพบความเปลี่ยนแปลงที่เยอะขึ้นอีก กระบวนการทางจิตเนี่ยดูยากตัดครั้งที่หนึ่งเนี่ยดูง่ายเพราะมันไม่เหมือนปุถุชนเลยตัดครั้งที่สองเนี่ยมันไม่ได้ละสังโยชนเพิ่มแต่สติปัญญาเนี่ยมันแก่รอบรวดเร็วขึ้นมา <S <S จิตไหวออกไปแวบสติตามทันแะ้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตไหวออกไปแวบสติก็รู้ทันแลจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาท่านถึงสอนบอกว่าพระโสดาบันนะัมีศีลบริบูรณ์ มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยพอได้สกทาคาเนี่ยศีลบริบูรณ์นะสมาธิปันกลางพอพอใจไหลแวบเดียวสติก็ตามทันแล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาไม่หลงนานนะมีหลงเป็นวันวันอย่างพวกเราหรอกนะหลงทีละแวบเหมือนฟ้าแลบทัละแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึกนะงั้นกิเลสเลยเบาบางทำไมกิเลสเบาบาง กิเลสไม่มีโอกาสที่จะก่อตัวให้ใหญ่โตขึ้นมาได้แค่ไว้ตัวแวบขึ้นมาก็เจอสติเข้าขาดสะบั้นไปแล้วแต่ปัญญาของพระสกทาคาก็อย่างเล็กน้อยอยู่นี้ถ้าภาวนาต่อไปอีกนะตัดครั้งที่สแล้วเนี่ยเป็นพระอนาคามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางเห็นไ้ขนาดพระอนาคาปัญญาปานกลางแล้วพวกเราจะขนาดไหน ปัญญาระดับไหนพระโสดาสกทาคามีปัญญาเล็กน้อยของเราต้องปัญญานุ่มนิ่มอะไรอย่างนั้น <c oughs> ถ้านาคานะมีสมาธิบริบูรณ์เพราะอะไรเพราะจิตนั้นฟ้นจากกามลนะจิตมันจะทรงตัวตั้งมั่นเด่นอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะแต่ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแหละแต่มองได้แต่ไม่มองเพราะกามนะ มันเป็นมองเพราะกิเลส ท, ที่ละเอียดจนกระทั่งนึกไม่ถึงว่าเป็นกิเลสเช่นภาวนาไปแล้วมันเกิดเร่าร้อนใจขึ้นมานะโอ้ยังไม่ได้เป็นพระละหาันงานยังไม่หมดนะจิตต้องดิ้นรนค้นคนว้าทำยังไงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงนี้เรียกว่ามีความฟุ้งซ่านในธรรมะเรียก อ, อุทัศจะหรือไปกราบครูบาจารโอท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเราดอยังไม่ได้อย่างท่านสกทีนี มีเทียบเขาเทียบเราอย่างนี้เรียกว่ามานะหรือภาวนาไปแล้วก็โอ้ไม่อยากยุ่งกับโลกเลยเห็นหน้ายมก็เบื่อเบื่อนะหน้าเบื่อมากมอมแมมถึงจะทาแป้งข้างในมันก็ดูสุกปลกอย่างเงี้ยนะใจไม่เอาใจไม่ชอบโลกใจน้อมเข้าหาความสุขความสงบภายใน อยู่กับลมหายใจมั่งแล้วนะสงบขึ้นมาเขาเรียกว่ารูปประราคะพอใจพอใจที่จะรู้รูปบางคนก็ดูจิตดูใจนะจิตว่างอยู่ในความว่างสบายนะอันนี้ติดอรูปนะมีอรูปประราคะตัวรูปราคะอรูปปราคะเป็นกิเลส ช, ชั้นสูงนะกิเลสของพระอนาคามีนะพวกเราแค่กามาราคะเราก็สู้ไม่ไหวละของท่านผ่านกามแนละ้ว เขท่านมีปัญญาปานกลางท่านเห็นความจริงแล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสปทพะทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นของไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่เห็นว่าจะดีตรงไหนเลยจิตท่านหมดเยื่อใยในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสปทพะเนี่ยเรียกปัญบบปญาปานกลางแล้วท่านก็มีปัญญาปานกลางท่านเห็นว่าถ้าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นี่แหละมีความสุขถ้าจิตไหลไปหลงไปจิตไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นท่านจะประคองรักษาจิตทรงสมาธิอยู่อย่างนั้นมีความสุขพอใจไม่เห็นหรอกว่ามีกิเลสซ่อนอยู่คิดว่าตรงนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงนะ้นี่กิเลสของผ้านาคาผ้านาคายังมีความไม่รู้แจ้งในอริยสัจเรียกว่ามีอวิชชาไอมีอวิชชาอยู่ไม่รู้อริยสัจคือไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้ทุกข์นี่แหละตัวสําคัญถ้ารู้ทุกข์นะ ก็าสหมูไทยแจ้งนิโรธเกิดอริยามรรคในขณะนั้นเลยนะนี่ท่านมีปัญญาไม่พอคนที่เป็นพระนาคานะจะมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจตลอดเวลาว่ายังขาดอะไรบางอย่างยังไม่พออะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าขาดอะไรนะรู้แต่ว่ายังขาดอยู่งั้นงานที่จะต้องปฏิบัติธรรมต่อไปยังไม่ถึงที่สิ้นสุด ท่านก็ต้องมาขยันดูนะดูไปบางทีจิตก็ฟองใสทีก็หมองมองมอง ท, ง, ทงทั้งๆั้งที่ไม่ได้มีกามเป็นเรื่องแปลกนะไม่ใช่มองเพราะกามนะเพราะพ้นกามมาแล้วแต่หมองเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่เที่ยง เ, ยเดิมไม่เข้าใจตัวนี้เรียกว่าไม่รู้แจ้งในกองทุกคือกองขันเนี่ทำไมมันหมองได้อีกถ้าจะทําอะไรไม่ดีมั่งภาคเพียนอีกก็ฟองใสขึ้นมานะความจริงถึงไม่เพี้ยนก็ฟองใส เพราะความมองๆก็ไม่เที่ยงนะแต่พวกเราอย่าถือหลักนี้ไม่ได้นะมองๆไม่เทียเ่ยงช่างมันมันไม่เที่ยงนะมันจะชั่วเลยแหละมันไม่ใช่แค่มองนะจะเอามาเปรียบกันไม่ได้นะเพราะศีลของเราก็ไม่บริสุทธิ์สมาธิของเราก็ไม่มีนะจะเอาธรรมชั้นสูงมาอ้างเป็นข้ออ้างของกิเลสไม่ไดนะ้เนี่ยท่านจะคอยรู้สึกอยู่เรื่อยว่ามันขาดอยู่ขาดอยู่ วันหนึ่งภาวนาไปก็เกิดความรู้แจ้งในกองขันหรือในกองทุกขคือในอริยสัตว์ในทุกขสัตว์รู้แจ้งในตัวจิตนั่นเองรู้แจ้งว่าโอ้ตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมิเที่ยงบางท่านเห็นมันเป็นทุกข์เพราะมันยังถูกบีบคั้นได้บางท่านเห็นว่ามันเป็นทุ ก, กข์ เ, เ, กเพราะมันบังคับไม่ได้เรียกว่ารู้ทุกข์ทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะัจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกไป สลัดทิ้งนะตรงนี้มันจะเกิดกระบวนการของนิโรธสามอย่างนะนิโรธอันแรกเลยเป็นสมุดเฉดนิโรธนะเป็นการตัดกิเลส ท, ที่ตัดเด็ดขาดแล้วไม่มีอะไรให้ตัดอีกนะในขณะนั้นจิตเข้าถึงความสงบระ ง, งับคือพระนิพพานเรียกปฏิปัสสัทธินิโรธนะปฏิแปลว่าเฉพาะนะปฏิ ปฏิปสัสสิความสงบระ ง, งับอยู่เฉพาะหน้านี่องแล้วก็เข้าถึงนิสรณะนิโรดนิสรณะนิโร ธ, รโรธคือการสลัดคืนเข้าถึงความดับเพราะสลัดคืนนมอย่างเรานึกไม่ถึงเวลาไฟไหม้เวลาเราจุดเผาไม้นะสมไฟขึ้นมาเราคิดว่าการดับไฟนีต้องเอาน้ำมาดับ การเอาน้ำมาดับนะ้ำมันก็เป็นนิโรธเหมือนกันนะแต่เป็นนิโรธในการทำสิ่งที่ตรงข้ามมันร้อนก็ทำให้มันเย็นมันก็ดับแต่ตรงนิสสณานิโรธนี่นะมันเป็นการพลักฝืนออกจากกันนะเหมือนเบี่ยงไฟเบี่ยงไม้แต่และท่อนนะกระจัดกระจายออกไปนะกองไฟกองนั้นสลายตัวไปเลยนะสลัดคืนสลัดคืนอะไรสลัดคืนขันให้โลก ขันตัวสุดท้ายที่หวงแหนที่สุดนั่นก็คือจิตแต่ยึดจิตเน้นนะมันก็จะยึดเอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปด้วยนะมันยึดไปหมดเลยยึดในฝ่ายนามธรรมาส่วนรูปธรรมนั้นวางไปแล้วตั้งแต่การเป็นพระนาคานี่พอสลัดคืนให้โลกนะครนี่ใครจะทุกข์ล่ะไม่มีใครทุกข์อีกต่อไปละเพราะไม่มีที่ตั้งของความทุกขนะ์ขันก็แยกตัวออกไปนะขันก็ทาหน้าที่ของขันแต่ละขันไป ชีวิตที่เหลือนะรีบๆเป็นพระอราหันนะจะได้มีชีวิตที่เหลือนานหน่อยชีวิตที่เหลือนะเป็นชีวิตที่ไม่มีน้ำหนักไร้น้ำหนักนะสงบสงดัดสบายไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้อีกต่อไปจิตของเราถูกปรุงแต่งได้รู้สึกไหมจิตของเราเป็นตัวปรุงแต่งก่อนจิตเราปรุงกิเลสขึ้นมา เสร็จแล้วกิเลสทึ่งจิตปรุงขึ้นมานั่นแหละกลับมาปรุงแต่งจิตมาครอบงําจิตมันะกลับมาครอบงําจิตได้เพราะเราปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วเพราะเราปล่อยทิ้งละในขณะเดียวกันกิเลสเข้ามาครอบงําจิตไม่ได้นี่ถ้าเดินมาถูกต้องน้ําจะมาสู่จุดนี้คือปล่อยวางไม่ยึดถือจิตแต่กิเลสก็ไม่มีทางที่จะครอบงําจิตได้ จะไม่เหมือนพวกที่แกล้งปล่อยพวกที่แกล้งปล่อยอยู่ๆก็ปล่อยผู้รู้ทิ้งปล่อยจิตทิ้งหลวงพ่อเคยเจอนะปล่อยไปเลยสติแตกนะกิเลสครอบงาจิตได้อย่างบางทีก็อยู่อย่างคนธรรมดาอย่างเงี้ยดูแจม่มใสดูสะอาดหมดจดบางครั้งอยู่ๆกิเลสเล่าร้อนพลุงขึ้นมาครอบงาจิตคลุ้มคลั่งขึ้นมาบ้าคลั่งขึ้นมาขาด การประพฤติปฏิบัติที่สมควรทําอะไรพี้ลึกพิ้ลึกอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ยึดถืออะไรเลยความจริงถูกกิเลสครอบงำอยู่จะไม่เหมือนที่เราปฏิบัติมาตามขั้นตอนนะเรารู้กายรู้ใจไปเนี่ยมันค่อยลบค่อยล้างกิเลสเป็นลําดับลําดับไปจนกระทั่งล้างกิเลสหมดจดนั้นสุดท้ายเลยล้างความเห็นผิดได้พอล้างความเห็นผิดที่ว่าจิตนี้ เป็นตัวดีตัววิเศษจิตผู้รู้เป็นของดีของวิเศษล้างตัวนี้ได้เท่านั้นเองสลัดทิ้งนะสลัดจิตทิ้งปล่อยวางไม่ยึดถือไม่มีกิเลส ท, ที่จะมาย้อมจิตอีกต่อไปส่วนพวกที่แกล้งน้อมเข้าหาความว่างเนี่ก็ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรนะันกิเลส ท, ท่วมเลยนะกิเลสแฝงอยู่เพราะฉนั้นเราอย่าไปอุตรินะทุกวันนี้เริ่มมีคนมาสอนบอกมีทางรัดในการดูจิต ดูจิตแล้วอะไรปรุงขึ้นมาปัดทิ้งให้หมดปัดทิ้งให้หมดเอาความว่างๆไว้มันว่างเฉยๆด้วยอำนาจของสมถะถ้ามีการกระทำนะการกระทําใดๆในการที่จะสงวนรักษาจิตเป็นสมถะทั้งสิ้นแต่ถ้าเราเดินมาตามลําดับนะเรารู้กายเรารู้ใจเห็นไหมในวิปัสสนากรรมฐานมีแต่เรื่องรู้รูปนามเห็นรูปนามเป็นไตรลักษ ในสติปัฏฐานเห็นไม่มีแต่อารมณ์รูปนามมีแต่รูปกับนามมีกายกับใจไม่มีเรื่องอื่นเราะ้เรารู้กายรู้ใจนะรู้กายรู้ใจียกว่ารู้ทุกหน้าที่ของเราต้องรู้ทุกอย่าคิดว่ามีทางลัดมากกว่านั้นเดี๋ยวนี้มีคนมาประกาศให้ได้ยินเรื่อยๆนะว่าเอาความว่างอยู่ๆก็น้อมใจให้ว่างไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้ พระพุทธเจ้าให้รู้กายให้รู้ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ความว่างต่อเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนๆพอเห็นแจ้งอย่างนี้เขาจะสลัดคืนรูปคืนนามให้โลกเขาคืนของเขาเองนะไม่ใช่จงใจน้อมทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ พวกที่น้อมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จับเอาความว่างไว้จริงๆยังยึดถืออยู่ยึดอะไรยึดจิตนั่นเองมจิตของเราไปอยู่ในความว่างแล้วจะได้ดีจิตของเราไปอยู่ในความว่างจะได้มีความสุขมีความสงบจิตของเราอยู่ในความว่างเราจะได้เป็นพระอรหันต์มันมีเราผู้เป็นพระอรหันต์ซ่อนอยู่ข้างหลังนะนต้องระมัดระวังนะศึกษาธรรมะต้องระมัดระวังให้ดีคาสอนที่แปลกปร้อม ออกนอกลูกนอกทางที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างนาะง่ายๆเรื่องไปดูความว่างนี่ฟังยากเรื่องง่ายๆเลยอย่างพระพุทธเจ้าสอนาอนาปนานสติพวกเราชอบทํารู้ลมหายใจใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนานาปนานสติสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังหมายถึงนั่งขัดสมาธิทาไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะพระอินเดียไม่มีเก้าอี้นั่ง แล้วถ้านั่งกับพื้นที่สบายที่สุดนะคือนั่งสมาธิขัดสมาธินั่งพับเพียบเมื่อยนะไม่สบายกระดูกส<น>ันหลังโคดนั่งนานๆจะพิการหัวเข่าจะเสียนะท่านถึงบอกภิกษุทั้งหลายให้คู่บรรลังนี่ถ้าท่านตรัสรู้ในยุโรปนะท่านจะบอกภิกษุทั้งหลายถ้ามีเก้าอี้หลังตรงๆนั่งก็นั่งเก้าอี้ได้นะ บภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บันหลังตั้งกายตรงตรงไม่ใช่เอยียงทางนี้เอยียงทางนี้นะ้ากระดูกสันหลังคดไปคดมานะตั้งกายตรงดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าดํารงสติอยู่เฉพาะหน้านะหมายถึงว่ารู้อะไรปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาอะไรปรากฏขึ้นในปัจจุบันรู้มันไปนะรู้อะไรภิกษุทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาว ท่านหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพวกเราถนัดหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นวิธีเล่นลมปราณเล่นปราณนะหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยใจจะคลายออกคลายจะไม่เหมือนกันจิตจะเดินไม่เหมือนกันท่านสอนอะไรท่านสอนให้รู้ท่านบอกว่าหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้อะไรรู้มีสองระดับ อันหนึ่งมีสติรู้ถึงรูปที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่รู้ว่าเราหายใจนะไม่ช่วยรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกแต่รู้ว่ารูปมันกำลังเคลื่อนไหวมีธาตุไหลออกมีธาตุไหลเข้านะรู้ด้วยปัญญาเนี่ยรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้สติเนี่ยไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้ด้วยปัญญานะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเรานี่ต้งเดินอย่างนี้ มาถึงยุคนี้เวลาสอนอานาปนาสติใช่ไหมบางคนสอนมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนอ้าวหายใจนะทีแรกต้องรู้ลมกระทบที่จะงอยปากกระทบไหมเราก็สนใจกระทบยังมัยกระทบกระทบจะงอยปากนะกระทบปลายจมูกมันเย็นไม่พอใช่ไหมกระทบนะกระทบจมูกกระทบเพดานกระทบคอกระทบหน้าอกกระทบท้องอะไรเนี้ย ไล่ abei, ขึ้นไล่ลงนะพระพุธ hint, ธ aciones, พทธเจ้า um ไม่ได้สอนนะนั่นเป็นเรื่องของการทําสมถะในสติปัฏฐานในวิปัสสนากรรมฐานที่ใช้ลมหายใจไม่ได้ดูอย่างนั้นหรือ <pol Gothic> เดินจงกรมพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งเมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอน ท่านสอนแค่นี้ท่านไม่เคยสอนนะว่าเดินมีกี่จังหวะหนึ่งต้องมีเท่านี้จังหวะเท่านี้จังหวะเท่านี้จังหวะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนรุ่นหลังมาสร้างขึ้นเองนะแล้วก็เริ่มดูถูกกันนะคนนี้มันเดินสมจังหวะสู้เราไม่ได้เราสี่จังหวะเก่งกว่านี่เราห้าจังหวะเรา8จังหวะนะ ถ้าเดินขนาดภาษาลิบุตรนะสติท่านเห็นรูปหนึ่งเก้าท่านไม่ได้เก้าว่างุ้มง่ามอย่างเราด้วยนะท่านเก้าฉับฉับฉับฉับฉั บ, บเนี่ยเคยครูบาจารย์เคยบอกหลวงพ่อบอกว่าสติท่านเร็วนะก้ารวดเร็วภาษาลิบุตรไม่มาเดินงุ่มง่ามเนี่ยท่านเห็นรูป16ช็อตนะของเราปุ๊บปุก้าแล้วยังไม่ได้สักช็อตหนึ่งเลยนะ ท่าน เ, นเร็วๆนะท่าไม่ได้เดินช้าภาษาริบุตรงั้นอยู่ที่พัฒนาสติจนมันรวดเร็วนะมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของใจมีปัญญาเข้าใจกว่าเป็นจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่มีสติปัญญาไม่ใช่วิปัสสนาะเป็นสมถะทั้งหมดเลยยังไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบไปยุรู้ขยับไม้ขยับมือ ถ้ารู้อยู่ที่ตัวอารมณ์นะเรียกว่าการเพ่งตัวอารมณ์อารมณูปนิชานเป็นเรื่องการ ท, ทําสมถะทําเมไรเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นมิปัสสนะพวกเราค่อยๆพัฒนาตัวเองนะขั้นแรกเลยไม่รู้สึกตัวหันรู้สึกตัวก่อนพอรู้สึกตัวแล้วค่อยๆสังเกตไปมีใจเป็นผู้ดูอยู่เราจะเห็นว่าร่างกายที่กําลังหายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเรากายกับจิตมันจะแยกส่วนออกจากกัน หรือเราจะเห็นเวทนากับจิตมันก็แยกส่วนออกจากกันกิเลสกับจิตหรือกุศลกับจิตก็แยกส่วนออกจากกันจิตเองก็เกิดดับทางทาวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราคอยรู้ไปอย่างนี้เราจะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้ามันรวมเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันนะมันมีตัวเราขึ้นมาไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกถ้าเมื่อไรจิตมีความตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตมีความตั้งมั่นถึงจะเห็นไตรลักษณ์จำไว้นะ การเห็นไตรลักษณ์นั้นเป็นปัญญาปัญญาเกิดจากอะไรปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาส ม, มาธิคือความตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งแช่ที่ตัวอารมณ์พวกเราต้องเรียนให้ชัดนะวันนี้วิยากนไปตรวจสอบลูกทีมนะว่ารู้จักจิตที่ตั้งมั่นหรื อ, อยังหรือว่ามีแต่จิตที่ตั้งแช่พวกที่ติดสมถะนั้นรับรองตั้งแช่แน่นอนนะจิตตั้งแช่อยู่จะไม่มีปัญญาไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความนิ่ง แต่ถ้าจิตตั้งมั่นแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ล้วก็จะเกิดปัญญาทันทีนะจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นสังขารไม่ใช่เรากระทั่งจิตก็เกิดดับไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่มีสมามรถสมาธิจะไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ขณะนั้นไม่ได้ทำมิปัสนาอยู่อย่างมากที่สุดทาได้แค่สมถะ งั้นรู้รูปรู้นามอย่างเช่นรู้ลมหายใจรู้ท้องฟองยุบอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้มีจิตที่ตั้งมั่นแยกออกมานะจะไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามขณะนั้นทําสมถะทําไปเรื่อยๆแล้วตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักนบางทีตัวโตมีนะทําไปแล้วตัวใหญ่เป็นภูเขาเลยทีก็หนักหนักมากเลยนะ อันนั้นเป็นเรื่องของสมถะบางทีรู้สึกบูบบุาบ้รู้สึกเหมือนฟ้าแลบแลบๆ ร, ร, รู้สึกเหมือนตัวอะไรมาไตเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยงั้นอย่าไปหลงกล น, นะนัสมถะเรียนสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ดีแล้วยังง่ายนะเรียนให้ดีจะได้ทําไม่ผิดอ่ะแปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าว